เมื่อวานไปทำฟันไปนักษาลากฟันหมอก็ฉีดยาชาให้กันแล้วก็ทำอะไรก็หลายอย่างมากชั่วโมงครึ่งได้มากตอนทำฟันก็เป็นเวลาปฏิบัติธรรมดีดีนะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเราต้องคล้ายๆบางครั้งก็เป็น สมาธินะต้องตั้งใจอ้าปากบางทีอ้าปากมากๆร่างกายก็เกร็งนะก็เห็นเหนื่อยก็เกร็งแล้วเราก็ผ่อนคลายนะร่างกายนะแต่พอต้องตั้งใจอ้าปากมากๆน ะ, ะก็ร่างกายก็เกรงอีกละนะเก็เห็นเลเดี๋ยวร่างกายเดี๋ยวก็เกร็งแล้วเราก็ต้องผ่อนคลายบางทีผ่อนคลายมากก็ ตับไม่ดีพอผ่อนคลายมากก็อ้าปากน้อยลงหมอก็ต้องบอกให้อาปากมากขึ้นหน่อยอะไรนะี่มันก็จะให้มันพอดีตลอดนะมันก็ไม่ได้นะก็เหมือนเราก็ปรับเอาก็ปรับเอาหมอเขาว่ายังไรเราก็ปรับตามที่เขาเห็นว่ามันสะดวกเออหรือว่าถนัดของเขา บางทีก็ต้องปรับนะบางทีแต่ก่อนบางทีถ้าเวลานอนบางทีถ้านอนเวลาเราอาบปานนะบางทีก็จเจบเผลอหายใจทางปากหนะมอเขาก็บอกเออต้องให้หายใจ ห, หายใจทางจมูกนะ อ, อ๋อเราก็ต้องมาปรับต้องพยายามหายใจทางจมูกให้มันให้มันเ อ, อแทบตลอดเวลาเนาะบางทีก็ เผลอกับไปหายใจทางปากว่างทีมันเหนื่อยเหนื่อยนะแต่คนเราเหนื่อยๆมักจะหายใจทางทางปากช่วยเพราะว่าหายใจทา ง, งจมูกมันจะไม่พอเวลาเราทํางอ้าปากนานๆบางทีมันก็เหนื่อยน ะ, ะก็เผลอหายใจทางปากเข้ามาช่วยก็ต้องมาตั้งใจหายใจทางจมูกแทน ก็เห็นในการวิ่งกันของเรียกว่านะระหว่างมันเผลอเข้าไปทําตามธรรมชาติที่เราเคยชินนะแต่มันไม่ใช่ว่าเผลอแบบหลงแบบหลงคิดแบบนั้นแต่มันถึงว่าธรรมชาติที่เราเคยชินแบบไหนนะในการใช้ร่างกายนะมันก็เป็นแบบนั้นนะหรือบางทีพอเรา ร่างกายมันเครียดนะมันมีร่างกายมันเครียดนะเครียดเพราะว่าต้องอ้าปากนานๆเพราะว่าพบความเมื่อยล้านะร่างกายมันเครียดนะเราก็เห็นร่างกายมันเครียดอ๋อแล้วก็เราก็ทําได้เพียงแค่ผ่อนคลายแต่บางทีผ่อนคลายมากก็อาจจะไม่ถูกตามสถานการณ์ตรงนั้นนะที่มันต้องตั้งใจ ตั้งทั้งใจอ้าปากให้มัน ก, กว้างหมอก็บอกกว้างที่สุดมันก็เหนื่อยนะเจ่าโมกกว่าเนี่ย <c oughs> ก็เหนื่อยแต่ก็มีอันหนึ่งที่รู้สึกเออเวลาเช่นหมอเขาฉีดยาชานะในปากมันก็จะชาหมอเขาก็ทำอะไรคงแรงเหมือนกันแหละนะเอา ที่เคยอุดฟันออกแล้วก็รักษาลกษาลกฟันก็คงแบบทำอะไรเยอะเหมือนกันหมอก็บอกว่าถ้าเจ็บก็บอกนะแต่มันก็ไม่เจ็บ แ, แต่มันรู้สึกเหมือนมันก็รู้สึกถึงการที่ถึงการสัมผัสนะของเครื่องมือเครื่องมือแพทย์ก็ดีหรือว่ามือของหมอเองก็ดีที่ที่ที่จับปากเราหรือว่าเครื่องมือที่มันกระทบฟันนะ มันรู้สึกอยู่แต่มันไม่มีมันไม่กลายเป็นเวทนาเป็นเป็นความเจ็บหรืออะไรเลยนะมันก็รู้ว่าเขาทำอยู่ตรงไหนนะกระทบอยู่ตรงไหนแต่มันไม่เปลี่ยนเป็นเป็นความทุกข์เป็นความเจ็บเป็นความปวดเลยนะมันก็เลยรู้สึกเออเรยงจริงมันก็เหมือนเวลาเราปฏิบัติธรรมนะเวลาที่สติมาตั้งมั่นสมาธิมันมั่นคงนะ ไอสภาวะที่ว่ารู้เฉยเนะี่ยมันแบบเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะยกมือจะเดินจะอะไรก็แล้วแต่มันมันรู้แบบไม่สุขไม่ทุกขนะ์รู้แบบเฉยๆเนะี่ยคือรู้แบบไม่สุขไม่ทุกข์มันรู้อยู่ว่าว่าทําอะไรนะแต่มันก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอารมณ์เกิดขึ้นในขณะที่กำลังกระทํานั้นๆ น, น, นะ ไม่ได้ว่าอันนี้เรียกว่าเราียกว่าทุก์ไม่ได้ไม่ได้ว่า น, นี้เรียกว่าสบายไม่ได้อันนี้เรียกว่ามันสุขหรืออะไรนะมันก็แค่รู้เฉยเฉยนะก็แค่เห็นร่างกายมันมันมีการกระทบอะไรอย่างไงนะมันก็แค่รู้แต่มันไม่ได่ไปคิดอะไรมากมายมันรู้เฉยเฉยมันเหมือนรู้แต่มันไม่ปรุงแต่งนะ มันก็เหมือนกับที่เราถูกทำฟันนะมันก็กระทบอยู่นะก็รู้อยู่ว่ามันกระทบอยู่ตรงไหนแต่แต่มันก็ไม่มีเวทนาเข้ามาเจือปลในในการรู้ตรงนั้นนะเหมือนเราปฏิบัติธรรมจริงๆอ๋อมันก็มันมีหลายช่วงหลายเวลามากที่เราสามารถรู้เฉยๆแบบ น, นั้นได้นะรู้แบบมองเห็นนะ้ะมันก็เฉย ได้ยินเสียงอะ่ะมันก็เฉยหรืออะไรกระทบนะลมกระทบนะมันก็เฉยร่างกายกระทบมันก็เฉยมันก็เป็นสภาวะหนึ่งนะของพารมณ์แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะต้องเฉยตลอดน ะ, นะบางครั้งเนี่ยเราก็เห็นบางทีการนู้เฉยแบบนี้นมันก็มันก็ถูกแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นตลอดเวลา เพราะบางคราว ม, มันก็ไมไ่เหมือนเราถูกขีดยาตลอดนะเอบางคราวมันเรากระทบแล้วมันไม่เฉยเเกิดความพอใจก็ดีเกิดความไม่พอใจก็ดีน ะ, นะให้เรารู้ทันมันตรงนั้นต่อก็ได้นะไม่ได้ผิดนะคือธรรมชาติของกายแต่อของใจที่มันไม่ได้มีอะไรมาแบบมามาดัดแปลงอะเนาะ มันก็บางทีก็จะเห็นอย่างนี้บางทีเมื่อกระทบแล้วหรือเมื่อทำไรแล้วมันเฉยมันปกตินะเราก็รู้ว่าปกติเราก็รู้ว่ามันเฉยอยู่แต่จริงมันไม่ให้รู้ว่าเป็นแบบนั้นหรอกที่จริงมันปกติมันก็รู้เนี่ยมันเฉยเราก็รู้หรือจริงมันไม่ปกตินะเราก็รู้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้เนี่ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ หรือพอใจหรือไม่พอใจนะเราก็รู้นะแต่พอมันรู้แล้วมันก็จะกลับมาเป็นปกตินะกลับมาไม่ปรุงแต่งต่อแต่บางทีก็เผลอไปปรุงแต่งอีกละนะหรือบางทีมันก็มีอารมณ์ความรู้สึกตามความเคยชินนะนะเคยชอบอะไรนะความมันกระทบสิ่งที่ชอบนะมันก็จะเกิดความชอบขึ้นอีกละนะ เคยไม่ชอบอะไรบ่อยๆนะพอกระทบแบบนี้อีกอ่ะมันก็เกิดความไม่ชอบไปละวนะเคยยึดติดถือมั่นเรื่องอะไรนะพอเรื่องนั้นมันเข้ามาแล้มันก็ทำให้เกิดการยึดติดถือมั่นอีกและนะเนี่ยคือแต่ละจรดตทองแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่มันมันจะทำให้เราได้เห็นว่าออไอตัวนี้คือสิ่งที่เราเคยหลงไปชอบมัน ไอ้ตัวนี้คือสิ่งที่เราเคยหลงไปไม่ชอบมันไนอะ้ตัวนี้คือสิ่งที่เราเคยไปยึดติดถือมั่นนะเป็นตัวเป็นตนเป็นมานะเป็นอัตตาขึ้นมาอ๋อมันก็ทำให้เราได้เห็นนะบางทีมันไม่เฉยเนี่ยมันก็ดีอีกอย่างคือทำให้เราได้เห็ น, นเห็นกิเลสเห็นสันดา น, นเห็นอุปาทา น, นที่มันที่มันซ่อนอยู่ในใจนะ พอเกิดการกระทบขึ้นมาแล้วทําให้เราได้เห็นว่าอ๋อมันยังมีอยู่นะอ่ายังมีอยู่นะนเหมือนมีลูกศิษคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเวลาทํางานเนยเวลาทํางานแล้วมีคนร่วมงานแล้วมันไม่ถูกใจเนะี่ยมันจะจี้ขึ้นมาแบบแบบเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธขึ้นมาเร็วมากเลยเนี่ย ถ้าวันไหนควบคุมไม่ได้เนี่ยก็จะเผลอไปว่าเขาไปตำหนิเขาวันไหนพอควบคุมได้ก็เออก็จะใจเย็นขึ้นทําให้เขาเห็นว่าอ้อเนี่ยแหละมันเกิดเพราะบางทีแล้วคนที่จีด๊ดคนที่ไม่พอใจคือส่วนใหญ่ก็เป็นคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวคือเพื่อนที่สนิทหรือว่าคนในครอบครัวนี่มันจะจี๊ดขึ้นมา เร็วมากแล้วก็แรงกว่าคนทั่วๆไปคล้ายๆคนทั่วๆไปเนี่ยเราก็ดีกับเขาได้ง่ายนะหรือเราก็ไม่อะไรกับเขาได้ง่ายแต่คนใกล้ตัวละเราเกิดความแบบไม่พอใจหรือว่าเกิดความจี๊ดขึ้นขึ้นเร็วแล้วก็แรงแล้วก็ควบคุมยากด้วยทำให้เขาได้เห็นว่าอ๋อเพราะคนตอนนั้นเรามีความคาดหวังกับเขาสูงกว่าคนอื่น เราคาดหวังว่างานกับเพื่อนโรงงานเนี่ยเขาจะต้องดีนะหรือว่าต้องมีมาตรฐานที่โอเคต้องไม่ขัดใจเราประมาณนะี้ยพอไม่เป็นอย่างที่คาดหวังนะเช่นงานไม่ได้มาตรฐานหรือเขาไม่ให้ความร่วมมือกับความต้องการของเราอย่างนี้นะก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นเร็วแล้วก็แรงมาก มันก็คือทําให้เขาก็เล่าประมาณทําให้เขาได้เห็นว่าอ๋อมันคือความคาดหวังของเราที่มีต่อคนใกล้ตัวที่สูงเนะกว่าคนอื่นเน่ยมันก็เลยเกิดทําให้เกิดความพอไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไม่เป็นอย่างที่ต้องการมันก็เลยเกิดความไม่พอใจขึ้นนะมันก็มาก็ว่ามันก็ดีนะดีที่ทําให้มันได้เห็นนะ เห็น เ, เราเจะไม่ประมาทนะเราเอาจจะพัฒนาขึ้นละกับคนไกลตัวเนาะที่ที่แบบเวลาทํามานไปแล้วนะเราก็เขาจะเป็นอะไรก็เราก็ปล่อยวางง่ายๆแต่คนใกล้ตัวเรายังมีโทสะแล้วอย่างหนึ่งเขาก็เห็นนะเห็นว่าพอมันเกิดอารมณ์ความไม่พอใจขึ้นเนะี่ยมันก็ทุกข์แล้วก็มันก็ไม่ชอบนะไม่ชอบที่เราไปทำแบบนั้นนะ ตัวเองก็ทุกข์นะแล้วก็ทําให้เพื่อนก็ทุกข์ด้วยนะก็เกิดความไม่พอใจบาทีก็เกิดความคิดอีกแหละว่านั่นก็ไม่ต้องทําดีกว่านพยายามเรียงดีกว่านะะงั้นแบบบางอย่างเราเห็นเป็นประโยชน์เนาะเราก็อยากจะทําแต่ทําแล้วมันก็มีแบบนั่นแหละนะใจนึงก็เลยคิดไปเลยว่าเนะี่ยอืมนั่นก็ไม่ต้องทําลยเลยปล่อยไปเลยเนยะช่างหัวมันเออ แต่ก็มันก็เตือนไปเออแบบนั้นมันก็มันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะมันก็เป็นความสุดโต่งอีกแบบหนึ่งนะเ อ, อคือการหนีไปเลยนะหนีเพราะอะไรหนีเพราะเราไม่อยากจะโกรธหนีเพราะเราไม่อยากที่จะทุกข์ไม่อยากจะหงุดหงิดเนี่ยจิตมันก็มันก็หลอกลวงได้หลายรูปแบ บ, แบ น, นะเนวลาเราทํางานแล้วเรามีความคาดหวังสูง แล้วมันขัดใจไม่เป็นอย่างที่ใจเราคาดหวังก็เกิดความโกรธเกิดความทุกข์ขึ้นในใจมันก็เป็นสุดโต่งด้านหนึ่งด้านหลงเนี่ไปตามอารมณ์หรือหลงไปกับความคาดหวังนไปยึดมั่นตรงนั้นอีกด้านหนึ่งมันก็ไม่อยากจะทุกข์นะมันก็อยากจะหนีไปเลยนะอยากจะหลบไปเลยนะไม่อยากเกี่ยวข้องเพราะว่าไม่อยากจะทุกข์มันก็เป็นการสุดโต่งอีแบบหนึ่งเหมือนกันนะเพราะเป็นการหนีทุกข์ แล้วก็เป็นการเหมือนคล้ายๆกลัวกลัวที่จะเองจะไปโกรธอีกไม่อยากไม่อยากแบบนั้นมันก็สุดโตงแต่ทางตรงกลางจริงๆคื อ, เ, อเราเห็นว่าเป็นงานที่มีประโยชน์เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำเนาะเราก็ทำแต่จะทำอย่างไรทำแบบให้รู้ทันความไม่พอใจรู้ทันความคาดหวัง ความโกรธขึ้นมารู้ทันนะความคาดหวังสูงๆขึ้นมาแล้วผิดหวังเกิดขึ้นมาให้เรารู้ทันนะเอาการเรียนรู้ตรงนั้นดีกว่านะไม่ใช่ว่าหนีหรือไม่ใช่ว่ายึดนะแต่เกี่ยวข้องแล้วก็เรียนรู้ในการปรับใจของเราให้นะให้ไม่ทุกข์หรือว่าให้ไม่โกรธในงานตรงนั้นนะแต่จะว่าให้ไม่โกรธ ให้ไม่ทุกข์ก็ไม่ได้หรักแต่คือเรียนรู้มันนะเมื่อเราเรียนรู้มันได้เร็วขึ้นบ่อยขึ้นนะมันก็จะทําให้เราเรียกว่าเห็นมันเนาะเห็นมันแล้วไม่เป็นกับมันนะ่ะเนื้อการทํางานมันก็จะเป็นการทําให้เราได้ภาวนาเป็นตัวแล้วก็มันเป็นการพัฒนาหนะนะพัฒนาจิตใจนะพัฒนาจิตใจพัฒนาอารมณ์ ทั้งพัฒนาทักษะในการพูดในการทําต่างๆนะกับคนอื่นด้วยนะเพราะจริงคําว่าพัฒนาเนะี่ยมันก็คือการภาวนานะครับภาวนาก็คือการพัฒนานะอันเดียวกันเลยนะนั้นถ้าเราเกี่ยวข้องกับผู้คนแล้วเราสามารถพัฒนาตัวเองนะทั้งทักษะในการเกี่ยวข้องกับคนหรือทักษะในการวางใจนะ ทักษะในการรู้อารมณ์เนีก็คือการภาวนานั่นคือการภาวนาทั้งนั้นเลยนะถ้าคนเข้าใจเรื่องการพัฒนาจิตใจนะ ท, ทุกที่ก็จะเป็นการภาวนาทั้งนั้นเลยนะภาวนาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องนะใช้รูปแบบอะไรอย่างไรนะอันนั้นเป็นเพียงแค่สมมตินะแต่ตัวจริงๆคือนี่นแหละทุกโอกาส ทุกโอกาสทุกสถานการณ์นะี่ยคือคือการภาวนานะหรือพัฒนานั้นนะอย่างผมก็มองยนะอย่างไปทําฟันนะมันก็เป็นโอกาสที่ทําให้เราเห็นร่างกายร่างกายที่มันทุกนะร่างกายที่มันเครียดนะร่างกายที่มันเกร็งนะเราเห็นแนละ้วก็ปรับนะแต่มันก็ทุกอีกแล้วแหละนะมันก็เกร็งอีกแล้วนะแล้วก็ปรับใหม่นะ จะให้พอดีตลอดบางทีก็ไม่ได้นะจิตใจนะมันก็ดูไปนะหรือเราทำงานอย่างอื่นก็เหมือนกันนะนะถ้าเราภาวนาเป็ น, นจริงๆเนะี่ยทุกการงานก็เป็นการภาวนานะเป็นการภาวนาทั้งนั้นนะ่ทําให้เราได้เห็นเห็นกิเลสนะเห็นความยึดมั่นคือมั่นนะเห็น สน่งต่างๆที่มันแสดงขึ้นนะในกายในใจเนาะหรือเราทําในรูปแบบนะบางทีมันก็ทํำเล็กๆน้อยๆบางทีมันก็อาจจะก็ได้เล็กๆน้อยๆนะแต่บางทีเราทําต่อเนื่องนะมันก็จะเห็นอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะอบางทีเราก็รู้สึกว่าเราทําสบายๆนะแต่พอทําต่อเนื่องเยอะๆเอา้าบางทีมันก็เกิดความยากนะ เกิความอยากขึ้นมาอย่างาเราปฏิบัติทำสบายๆนะอาจจะรู้สึกเออก็ทําง่ายๆสบายๆแต่พอทําแบบเก็บอารมณ์บ้างหรือทำแบบเอาจริงอาจารย์สักหน่อยบ้างเ อ, อ้ามันก็จะอยากได้นะอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เ อ, อ้ามันก็เห็นเลยนะเออถ้าเราไม่รู้ทันเราก็อาจจะอยากไปเยอะๆแล้วก็ทุกข์ มันเครียดแล้วก็ทุกข์เพราะไม่ได้อย่างที่สิ่งที่อยากนะเพราะว่าธรรมะนัะยิ่งอยากมากก็ยิ่งไม่ได้นะไม่เหมือนทางโลกนะทางโลกบางทีเอาเอาความอยากเอาตัณหาเป็นแรงผลักดันนะให้เรียนเก่งให้ร่ํารวยให้มีชื่อเสียงนะบางทีทางโลกก็เอาเอาเนี่ยเอาตัณหานะมันเป็นตัวผลักดันนะทําให้เกิดการประสบความสําเร็จนะ แต่ในทางธรรมะนี่มันกลับกันเลยนะมันต้องรับความอยากนะมันถึงจะสําเร็จมันต้องรับความอยากมันถึงจะเข้าถึงถ้าเอาความอยากเป็นตัวนําแล้วก็ทนะําเนี่ยมันไม่ได้นะไม่ได้ธรรมะจริงๆนะั้นแต่บางทีมันก็ทําให้เราได้เห็นนะบางทีก็ดีเราก็คิดว่าเราอาจจะอยากน้อยแล้วสบายแล้วนะ่ะแต่พอทำไปเรื่อยๆเอา้าบางทีมันเกิด เกิดอะไรขึ้นนะในใจหรือบางทีฟังครูบาอาจารย์ขึ้นมาเกิดมึดเกิดคึกคัพขึ้นมาอยากจะเอานะอยากจะได้อะไรขึ้นมาหรือเราทําเองนานๆนะเกิดความอยากนะอยากจะได้อยากจะรู้อยากจะเป็นอยากจะสิ้นบาทีนะคือมองในแง่หนึ่งนะมันก็ดีนะดีที่ทําให้เราได้เห็นนเห็นความอยากที่จะมีอยากจะเป็นอยากจะได้อยากจะเอาเนี่ย มันซ่อนอยู่เพียงนะ แ, แต่ว่ามันยังไม่โผล่ตอนที่เรายังไม่เอาจริงแต่ตอนเอาจริงเมื่อไรเนี่ยเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วนะ <c oughs> มันก็ทำให้เราได้เห็นนะ <c oughs> เห็นเห็นตัวตนที่มันซ่อนอยู่นะ <c oughs> แต่ถ้าจะดีจริงๆนะ <c oughs> ทำไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ทันนี่แหละ <c oughs> อะไรที่มันซ่อนอยู่เนะี่ยเราก็รู้ทัน <c oughs> แต่ที่จริง พอมันเห็นว่ามันอยากแล้วมันเป็นทุกข์นะมันก็ทำให้เราคลายมันนะบางคนจะไม่รู้จักหรอกนะความทุกข์เป็นแบบไหนนะมันก็ต่อเมื่อทาแล้วมันเห็นว่าเป็นทุกข์นะมันถึงจะละของมันเองนะเนี่ยคือทุกข์เนี่ยคือสิ่งที่เราเรียนรู้ดูนะทาแบบนี้แล้วมันทุกข์นะจิตใจมันก็จะเรียนรู้ ถ้าเรียนรู้แล้วมันก็จะเข้าใจแล้วก็จะค่อยๆวางนะไม่ใช่ค่อยๆวางแบบถ้ามันเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งมันก็วางทันทีเลยนะจะทุกข์เพราะความกิเลสต่างๆนะเช่นโกรธขึ้นมาแล้วใจมันทุกข์กายมันทุกขนะ์มันเห็นปุ๊บมันก็วางปั๊บหรือใจที่มันยากมากๆแล้วมันเป็นทุกข์นะพอมันเห็นปุ๊บน่ะมันก็วางปั๊บเนี่ยพอเราเห็นครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งนี้ก็อ้อ มาอีกแล้วนะมันก็จะวางนี้เร็วขึ้นนะอันนี้คือก็จะว่าไปความทุกข์ก็ดีหรือกิเลกก็ดีนะมันก็มีแง่ดีเนะี่ยทำให้เราได้เห็นมันนะแล้วทำให้พอเราเห็นมันบ่อยขึ้นนะเราก็จะดูดจากอำนาจของมันได้เร็วขึ้นนะหรือเราเรียนรู้กับมันบ่อยขึ้นนะเราก็จะเข้าใจเทคนิคในการเกี่ยวข้องกับเขา ได้บ่อยขึ้นนะแล้วก็เรียกว่าอยู่กับมันก็ได้นะอยู่ด้วยกันนะแต่ไม่ไปเป็นกับมันนะเช่นบางทีปฏิบัติแล้วมันก็ง่วงนะของง่วงก็เกิดขึ้นมาบ่อยแม้เราปฏิบัติมาหลายปีนะอแต่ง่วงในการปฏิบัติคั้งแรกๆนะกับง่วงในการปฏิบัติในตอนเนี้ยใจมันจะต่างกันนะอ คือแต่ก่อนง่วงแล้วเป็นทุกข์ง่วงแล้วก็ไม่พอใจง่วงแล้วก็แบบจะไวหรือเปล่าแต่พอเราเคยเห็นมันบ่อยๆหรือว่าเคยรับมือกับมันบ่อยๆนะเราก็จะเข้าใจอ๋อจริงจริงง่วงมันก็เราก็จะรู้ว่าเออต้องทําแบบนั้นนะ่ะทําแบบนั้นแบบนี้มันก็ค่อยๆคลายความง่วงนะหรือแม้มันยังง่วงอยู่มันยังไม่หายมันก็ไม่ไมทุกข์ก็ได้นะ ก็เห็นมันมีความง่วงเกิดขึ้นกับกายแต่ใจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะความง่วงก็ไม่ได้เป็นทุกข์เนี่ยความง่วงก็เป็นเพียงแค่อาการอย่างหนึ่งของกายนะหรือบางทีปฏิบัติบางวันบางช่วงมันก็ฟุ้งซ่านใจไม่เป็นสมาธิเลยนะมันฟุ้งซ่านแต่ก่อนอาจจะฟุ้งซ่านก็รำคาญใจฟุ้งแล้วก็หลงไปกับความฟุ้งนะ ๋รือบางทีก็เผลอไปกดข่มความฟุ้งนะแต่พอเราปฏิบัติเรื่อยๆนะมันก็จะก็จะรู้นะว่าทำผิดแบบไหนนะเช่นไปนข่มความคิดไนะปห้างความคิดอ้อนนี่มันผิดละนะมันไม่มันไม่เป็นธรรมชาติละนะหรือไหลไปกับความคิดนะพอเราเห็นปุ๊บนะมันก็จะกลับมาปับนะ๊บหรือแต่ก่อนไม่พอใจที่มันฟุ้งซ่านนะ แต่พอใจระวังไว่ถูกมากขึ้นอ้อความฟุ้งซ่านก็เป็นเพียงแค่อาการอย่างหนึ่งนะเี่ยมันไม่ใช่เราจริงๆนะมันไม่ใช่ใจจริงๆมันก็เป็นเพียงแค่อาการนะต่อไปใจมันก็จะไม่ทุกขนะ์ไม่ทุกข์เพราะความง่วงไม่ทุกข์เพราะความฟุ้งซ่านนะหรือมันเผลอออกไปบ้างมันก็กลับมาได้เร็วขึ้นเนะี่ยอันนี้ก็คือประโยชน์ในการที่เราได้ ได้เห็นสภาวะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงบ่อยๆนะพราะเราก็จะได้ฝึกเรียนรู้กับมันได้บ่อยขึ้ น, นแล้วก็เป็นอิสระ ก, กับมันได้ได้เร็วขึ้นบ่อยขึ้นไม่ใช่การที่เราหนีนะพอเราไม่ชอบแล้วเราก็พยายามหนีพยายามจเจี๊ยงเนี่ยก็คือเราดิกเดี่ยงในการที่จะเรียนรู้มันดิ้กเดี่ยงในการที่จะเผชิญหน้ากับมันนะมันเหมือนไม่ทุก ไม่ทุกข์เพราะเราหนีแต่มันก็ไม่ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามมันได้นั้นเราปฏิบัตินะบางทีเราก็ต้องดูตัวเองบางสิ่งบางอย่างอะไรที่เราคอยดิกเรี่ยงหรือคอยที่จะหนีเพราะว่าเรามีความกลัวซ่อนเล่นอยู่ในใจหรือเปล่านะบางทีก็ต้องออกมาเผชิญกับมันบ้างนะแม้เผชิญแล้วอาจจะทุกข์ แม้เผชิญแล้มา จ, จะหลงไปบ้างนะแต่พอเรารเผชิญหน้ากับมันมบ่อยๆนะเรียนรู้จับมันมบ่อยๆนะเราก็จะเข้าใจเขาเข้าใจตัวเรามากขึ้นนะมันก็จะเกิดการปรับตัวเรียนรู้ปรับใจของมันเองนั่นแหละนะแต่ถ้าเราหนีล่ำไปนะมันก็มันก็ไม่เห็นนะอันนี้คือ มันก็เป็นประโยชน์นะในการที่เราเผชิญหน้ากับสภาวะต่างๆแต่ไม่ใช่เป็นการเผชิญหน้าแบบท้าทายเลยนะแต่มันเหมือนคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอนะมันหนีไม่พ้นเราก็ต้องเรียนรู้กับมันเลยนะพอเราเห็นมันไม่บ่อยเข้าใจไหวนะบางทีก็จะเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวใจบางทีก็เห็นแล้วก็เฉยเดี๋ยวใจก็ไม่เฉยนะแม้แต่ร่างกายเองบางทีมันก็ เฉยบางทีมันก็ไม่เฉยนะบางทีมันก็เกรงบางทีมันก็ไม่เกรงนะบางทีบางคนว่าทําไมปฏิบัติธรรมที่ครูบาอาจารย์นะท่านถึงป่วยถึงไม่สบายนั่นนี่หลายอย่างนะอันนี้ก็ไม่ดูนะออ่ว่าคนอื่นเป็นอย่างไรนะแต่อย่างหลวงพ่อคำเขียนนะบางทีท่านบอกเนะี่ยพอทีท่านป่วยเป็นมะเร็งครั้งแรกนะท่านก็พูดประมาณนะั้น สรุปลงไปเลยนะหรือว่าพูดประมาณเลยว่าเนี่ยเพราะการทํางานหนักทําให้หล่งพ่อเป็นมะเร็งยืนรดน้ําต้นไม้นะ่ะวันหนึ่งเป็นหลายชั่วโมงนะแต่ก่อนปลูกป่าที่วัดน้อมพ่อก็ตอนเช้เชานะก็รดน้ําต้นไม้ตอนเสดสายก็ไปรดน้ำต้นไม้ ย, ไไมยืนรดน้ำต้นไม้เป็นหลายชั่วโมงบางทีหลวมพ่อก็พูดนะว่า ถ้าลงไปเลยเนะี่ยการทำงานหนักนะปลูกป่าดับไฟ ป, ป่านะทำให้เป็นมะเร็งซึ่งถ้าเราเอาทฤษฎีมาเปรียบเทียบซึ่งจึงมันก็ไม่รู้จะใช่หรือไม่ใช่นะแต่ประมาณว่าบางทีก็คือการที่ทำให้ร่างกายมันมันเครียดเนะ่ะคือไม่ใช่ใจเครียดนะร่างกายมันเครียดนะเพราะมันอยู่ในเอียบดเดิมๆนานๆ น, น, นะร่างกายก็เกิดความเมื่อยล้า เกิดความตึงเครียดเกิดความเป็นทุกข์นะมันก็อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งก็ได้อมันแต่ไม่ใช่เพราะใจมันเครียดนะเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้คืออาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นก็ได้แต่นี้ก็หลวงพ่อก็พูดประมาณแบบนั้นซึ่งบางทีครูบาอาจารย์หลายรูปนะก็เป็นมาเร็งเหมือนกันหรือวบางทีก็เป็นอมพลึกอมพาดนะบางทีก็ส่วนหนึ่งก็ใช้ร่างกายึงเครียดนะ ใช้ร่างกายมันเป็นทุกข์มากมันทนไม่ไหวมันก็เลยเกิดความผิดปกติขึ้นนะแต่คือท่านอาจจะใช้ร่างกายเพื่อทำงานหรือใช้เพื่อการฝึกนะมากๆนะมันก็อาจจะส่งผลในระยะยาวกลนะายเป็นมะเด็งบ้างเป็นอัมพึกอัมพาษบ้างบางทีเราพวกเราเองก็อาจจะมีโอกาสเป็นเหมือนกันเลยนะแต่ถ้าเราใช้กายเป็นทั้งมันเกิด สติปัญญานะจิตที่มันไม่ยึดแล้วว่ากายมันเป็นเรามันเป็นของของเรามันก็จะไม่ทุกข์เพราะกายหระกนะมันก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรมันจะเป็นก็เป็นเรื่องของมันนะมันไม่ใช่เรื่องของเราละนะจะอยู่จะตายจะเจ็บหรือไม่เจ็บนะมันก็เรื่องของมันละไม่ใช่เรื่องของเราครูบาอาจารย์ที่พร้อมนะ มันจิตมันเป็นอิสระจิตมันมีที่อยู่ละวนะมันก็ไม่ได้ห่วงเรื่องเจ็บไม่ใช่ห่วงเรื่องตายนะก็พร้อมที่จะตายนะยอมรับความเจ็บปวดของร่างกายได้เนะี่มันก็มีคุณค่านะมันเหมือนคล้ายๆใช้งานเขาจึงคุ้มนะเขาจะผูกเขาจะพังก็เรื่องของเขาละนะมันไม่ใช่เรื่องของเราละนะเหมือนเราใช้ สิ่งของเนาะใช้จนคุ้มอ่ะใช้ปากกาใช้เขียนหนังสือเนี่ยมาจนหมดเมือกเนี่ยจะมันพังเนี่ยมันก็เอมันก็ถึงเวลาของมันแล้วนะเราใช้รถเนี่ยขับไปนั่นไปนี่ใช้เพเกิดประโยชน์นานละมันถึงเวลามันมันพังมันก็เอมันก็ยอมรับได้คือเรารู้ว่าเราใช้จนคุ้มอ่ะใช้ถ้าเกิดประโยชน์ละมันก็ปล่อยวางได้ง่ายนะแต่คนทั่วไปบางทีใช้ร่างกาย สู่ยสู่ร่ายนะทําให้ไม่เกิดสติปัญญาณนะพอร่างกายมันฝุ่มันพังมันจะแก่มันจะตายก็ก็รู้สึกแต่เองพลาดไปนะเสียเวลานะยังไม่เห็นได้อะไรเลยนั่นนี่นะมันก็เลยเกิดความห่วงกายก็เลยเกิดความไม่อยากจะตายนะเพราะว่ารู้สึกอยากจะมีเวลามากกว่า น, นั้นนะแต่พวกเรานาะก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเอนะพระเจ้าก็เตือนนะ ใช้เวลาให้มันคุ้มค่านะใช้ร่างกายเราให้มันคุ้มค่านะในทางเกิดประโยชน์นะ่ะนะพอเราใช้จนคุ้มค่านะได้สติได้ปัญญาขึ้นมาเนะี่ยกายมันจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของมันละนะไม่เป็นไรนะพอเราได้ประโยชน์จากการที่เราได้มีชีวิตหรือได้ใช้ร่างกายอย่างคุ้มค่าแล้วเนะีนะ่ยมันคือมันก็ปล่อยวางได้ง่ายนะค ำ, คำว่าปล่อยวางนะ มันเกิดเป็นผลนะจะให้ปล่อยวางตอนแรกเลยมันก็ไม่ได้นะมันจะเกิดจากการที่เราฝึกฝนะึกจากการทำเหตุนะในการมีสตนะิในการมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยแหละนะฝึกฝึกไปเรื่อยมันก็เกิดผลในการปล่อยวางจะให้ปล่อยวางเลยตอนแรกมันก็ไม่ถูกนะมันต้องเห็นก่อนว่าอะไรเป็นทุกขนะ์เห็นก่อนว่ามันยึดตรงไหน นะเห็นก่อนมันถึงจะวางได้ น, ะนั้นการเห็นเนะี่ยจะได้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเห็นว่ามันเฉยก็ดีหรือเห็นว่ามันไม่เฉยก็ดีเนะี่ยถือว่าถูกนะนะเพราะบางทีมันก็ไม่แน่นอนนะบางทีมันก็เฉยบางทีมันก็ไม่เฉยนะแต่การเห็นเนะีะไม่ว่ามันจะเฉยหรือไม่เฉยเนี่ยก็ถือว่าถูกแล้วนะแต่พอบางครั้งนะ บางขณะจิตมันตั้งมั่นมากมันก็เฉยนะมันก็เฉยแต่เราไม่ใช่ไปสร้างความเฉยนะมาทีความเฉยมันทีเฉยเพราะสมาธินะไม่สนใจสิ่งนั้นไม่รับก็มาสนใจแต่สิ่งเดียวมันก็เลยเฉยจากอารมณ์อื่นบางทีก็เฉยด้วยสมาธิก็มีแต่เฉยด้วยปัญญาที่เห็นมันเป็นเพียงแค่อาการของกายของใ จ, งใจก็มีนะเฉยบางทีก็มีหลายแบบนะ นี่คือเราก็ก็เรียนรู้ดูมันนะก็สิ่งละอันพันัะน้อยนะเก็บเล็กเก็บน้อยมาฝากนะก็ก็คงมีกับพวกเราทุกคนเหมือนกันอยี่แล้วนะก็ก็พยายามดูกันเอานะแต่ก็ทำแบบทำแบบเรื่อยๆทำแบบสบายๆนะจะให้ไม่ทำเลยมันก็จะไหลไปตามกิเลสนะแต่ทำก็ไม่ทำเพื่อจะเอาอะไรนะ ไม่ใช่ทําเพื่ออยากจะเป็นอยากจะเอาอะไรเพราะปฏิบัติจริงๆนะคือทําเพื่อละทําเพื่อลดทําเพื่อเลิกทําเพื่อคลายน ะ, นะความทุกข์กิเลสต่างๆความยิ้มั่นต่างๆเนี่ยเราทําเพื่อละมันลดมันเลิกมันนะไม่ใช่ทําเพื่อจะเอาดีเอาได้เอาวิเศษเอาเป็นนั่นเป็นนี่นะอันนั้นก็ ถ้าทำแบบนั้นเรียกว่าทำในตตัญหาแต่ภาวนาจริงๆก็คือการละตัญหานะก็คือการทำด้วยการที่ระนะลดละเลิกนยะสิ่งที่เคยยึดติดถือมัน่นนั่นแหละนะมันก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมที่ที่ถูกทางนะนะก็ฝากไว้ครับนะ